ภิกษุผู้ยินดีในความไม่ประมาทเห็นภัยในความประมาทเป็นผู้ไม่ควรที่จะเสื่อมย่อมอยู่ในที่ใกล้พระนิพพานเที่ยว92จิตที่กวัดแกว่งดิ้นรนนั้นดัดให้ตรงได้ผู้มีปัญญาย่อมทําจิตที่กวัดแกว่งดิ้นรนรักษายากห้ามยากให้ตรงได้